บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งความหมายของสุตตวาอริยส า, าวกและอริยธรรมเป็นต้นอริยส า, าวกผู้มีสุตตะคือสุตตวันหรือสุตตวาอริยส า, าวกล้วนมาคู่กับ อสุตวะปุตุชนคือปุตุชนผู้ไม่มีสุตตะซึ่งมีคําบัญยายนลักษณะตรงข้ามว่าอุทุชนผู้ไม่มีสุตรรยยะสตะ ผ, ผ, ผู้ไม่พบเห็นอริยชนไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้ฝึกฝนในอริยธรรมผู้ไม่พบเห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในสัพพุริสธรรมไม่ได้ฝึกฝนในสัพพุริสธรรม ทักถาอธิบายว่าอสุตวาปุตุชนผู้ไม่มีสุตตานั้นก็คืออันทะปุตุชนหรืออันพานปุตุชนคำว่าไม่พบเห็นอริยชนหมายความว่ามิได้เห็นเยี่ยมเยียนพบหาอยู่เสมอเสมอถึงพบเห็นก็ไม่รู้จักทำให้เกิดประโยชน์ และคำว่าพบเห็นนั้นหมายถึงพบเห็นด้วยปัญญามีใช่เพียงพบเห็นด้วยตาเนื้อหนังคำว่าอริยธรรมหรืออริยธรรมในบาลีจากอังคุตระนิกายทศกัณนิบาทหมายถึงกุศ ล, ลกรรมบวชสิบอีกแห่งหนึ่งหมายถึงอเศกธรรมหรือสัมมันตาสิบคือมักมีองค์8ปดและเพิ่มสัมมาญาณ กับสัมมาวิมุตติเป็นสิบในอังคุตรณนิกายปัญจการนิบาทผ่อนเอาเพียงเบญจศีลบ้างส่วนอธิกถาที่อธิบายข้อความตามที่มาข้างต้นนั้นให้ความหมายกว้างๆว่ า, วาอริยธรรมได้แก่ธรรมะต่างๆมีสติปัฏฐานเป็นต้นคำว่าอริย หรืออริยชนท่านว่าตามปกติหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายแต่ในที่นี้อริยามาคู่กับสัตว์บุรุษอริยหมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวและให้สัตว์บุรุษหรือสาวุริยชนหมายถึงพระปเจกับพุทธเจ้ากับพุทธส า, าวกทั้งหลาย